Book <S 2ูสิบที่เมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้อ g ก r i d อ g อม orn เมื่อวานเป็นวันเสาร์อ r กอร์วันศุกร เมื่อวานดิฉันไปดูหนังหนังน่าสนใจภาพยนตร์น่าสนใจวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้ดิฉันไม่ทำงาน อีด้าวจ็อ r เบอร์อียดิฉันอยู่บ้านยังไม่รีบยิมม่พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์พรุ่งนี้เป็นวันจัทพรุ่งนี้ดิฉันไปทำงานอีกพรุ่มนี้ดิฉันไปทำงอีร่้ดิฉันทำงานอี่งนนทำนี่งนี้ัไปทำงานอีกงาน j น g j o b คื r på kontor. ไรนั้นคือใีรคร์ปีเตอร์เป็นนั้เป็นนักาอปีเตอร์เป็นนั r ศ e t ษาปีเตอร์เป็นนักศึกษาตอร์อนนัานนัอนอร์รอาต คนนั้นคือมาาดทเตอร์เมาท่ธาเป็นเลขานุกานมาร์ธ e t ป็นเ e ขาห t ุกานมาร์แลขมาท่าเป็นเพื่อนกันมา r ์ธาเป็นเ r ข e หนุกานมาร์เป็นเพื่อนของมาท่าเาหน n กานมาร์ธา มาธาเป็นเพื่อนของปีเตอร์มาร์าอาร์เบนอนน์ทปีเตอร์กรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด